เป็นโอกาสดีนะที่เราได้ทำวัดเช้าสวดมนต์กันที่้านเจดีของหลวงปู่เทศเทศดังสีคงน้อยคนที่มีโอกาสดได้ัางคืนนะที่บริเวณเจดีของหลวงปู่แล้วก็ได้ทำวัดเช้าอย่างเช่นพวกเราก็เหมือนกับเป็นนิพิจหมายที่ดีนะสะับปีใหม่ของพวกเราด้วยนะที่ได้มีโอกาสดได้ มากระทําเช่นนี้เนาะเพราะว่าอย่างเราได้เข้าไปกราบในบริเวณเจดี JD, ที่จริงแค่เห็นหน้าองค์หลวงปู่เนี่ยก็เหมือนคล้ายๆก็ดูเลยว่าจิตใจคุณธรรมของท่านเป็นเช่นไรนะแค่เห็นหน้าแค่ได้กราบได้ไหว้ก็รู้สึกเย็นใจหรือรู้สึก พื่งใจนขนาดองค์หลวงปู่ท่านมรณภาพไปแล้วแต่เพียงแค่รูปนะหรือว่าสิ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็ น, นเป็นสิ่งที่ตกค้างหลงเหลืออยู่ก็ทําให้เราน้อมเป็นทางคุณงามความดีน้อมในทางเมตตาน้อมในในการเกิดความสุขความเย็นใจได้นี้มันก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นเรียกว่า เป็นเครื่องระลึกอยู่อย่างหนึ่งร ะ, ะลึกในการถึงคุณงามความดีซึ่งเราก็สามารถระลึกได้เวลาเรากราบพระนะหรือว่าเวลาเราไหว้พระสงฆ์ก็ดีกราบพระสงฆ์ก็ดีถ้าเราจิตใจเราน้อมไปทางตรงนี้แหละมันก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความเบิกบานขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปสุดโต่งขนาดที่ลงพื่มเกินไปก็ไม่ถูกเพราะว่าความพอดีมันต้องก็ต้องรู้ หรือบางทีเราอาจจะกราบแบบจิตไม่ได้รู้สึกโน้มหรือน้อมไปทางทราบซึ่งอะไรมากก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะมันก็แล้วแต่บางทีเราสังเกตก็ได้จิตใจของเราไม่แต่กราบพระพุทธ ร, รูปเองก็ดีนะบางวันกราบแล้วก็รู้สึกกราบปลื้มนะหรือว่ารู้สึกเรียกว่าอุ่นใจเย็นใจมากแต่บางวันก็เฉยชาเย็นชาก็มี เมือวันกับรู้สึกคิดไม่ดีหรือว่าสงสัยอนตัวพุทธองค์เองก็มีซึ่งบางทีถ้าเราสังเกตอ๋อมันก็เป็นแบบนี้เนาะอจิตมันไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ปรุงแต่งไปทางบวกบ้างทางลบบ้างหรือบางทีมันก็จะเฉยบ้างเป็นธรรมดานการพระพุทธรูปก็ดีกาบไหว้ครูบาอาจารย์ก็ดีหรือแม้แต่เข้าวัดเข้าวาเจอพุทธสถานต่างๆ บัทีจิตมันก็จะน้อมไปแบบไหนมันก็เรียกว่าไม่สามารถกำหนดได้แต่ถ้าบางทีถ้าเราได้เข้าไปในพุทธสถานซึ่งเป็นที่ที่บุคคลหรือว่าหลายๆคนเขาขอรบส ก, การะหรือว่าสร้างได้ตรงกับจดิตนิสัยที่เราชอบเราก็รู้สึกว่าเออมันมีพลังมันมีความสุขใจมีความเย็นใจอย่างบริเวณเจดีตรงนี้ก็ก็เรียกว่าสามารถ เพิ่มพลังนะในตรงนั้นได้มากเหมือนกับเราหลายคนที่ได้เข้าไปในเจดีพุทธคยาก็ดีหรือว่าธรรมีตัสตวถูกก็ดีซึ่งก็รู้สึกถึงพลังนะที่พระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้หรือสึกถึงพลังที่พระเจ้าท่านแสดงปฐมเทศนานะนเป็นความสว่างเป็นความหนักแน่นเป็นความมั่นคงนะมันก็ได้สึงพลังนะ พระดังตัว น, นี้บีมันก็เกิดจากความเชื่อความศรัทธาเนี่แหละนะถ้าเรามีความเชื่อความศรัทธาแก่พระพุทธเจ้าเมื่อได้ไปทิศได้ไปถิ่นได้ไปสถานที่พุทธองค์ท่านเคยเสด็จเคยสั่งสอนอยู่เราก็สึกอ้อเรารับรู้ได้นะคล้ายๆเหมือนเราย้อนทไทม์แมชีนไปอยู่ในสมัยพุทธกาลเลยนะเราก็สึดถึงพระดังเช่นนั้นนะนี่ก็เหมือนกันถ้าเรามีศรัทธามีพระดังในครูบาอาจารย์เช่นองค์ เช่นองค์หลวงปู่เทศเนี่ยถ้าเราได้เคยอ่านหนังสือเคยได้ฟังเรื่องราวของท่านแล้วก็จะรู้สึกเออพอเราได้มาใกล้ชิดตรงนี้แล้วก็รู้สึกถึงพลังที่ได้รับจากองค์ท่านได้องค์หลวงปู่เทศท่านมีคําสอนที่ที่เรียกว่าเด่นชัดมากในส่วนหนึ่งซึ่งครูบาอาจารย์บางรูปทานอาจจะไม่ค่อยได้แยกตรงนี้ชัดเจนนักแต่องค์หลวงปู่เทศท่านแยกเรื่องเรื่อง เรื่องใจกับเรื่องจิตนะ่ยเรื่องใจกับเรื่องจิตหลายคนก็คงสงสัยถึงเรื่องบางทีก็จะพูดสิ่งที่เป็นนามธรรมนะบางทีก็ใช้คาว่าใจบ้างบางทีก็ใช้จิตบ้างแต่องค์หลวงปู่เทศท่านจะแยกให้ชัดเจนเนะี่ยให้ชัดเจนว่าถ้าพูดถ้าท่านพูดถึงเรื่องใจก็คือใจที่เป็นใจบริสุทธิ์ใจที่สะอาดใจที่สว่างใจที่สงบใจที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งหรือทักภาษา ภาษาเซนอาจจะเรียกว่าจิตเดิมแท้ก็กว่าได้แต่ท่านจะพูดง่ายๆว่าใจนะใจก็คืออะไรสิ่งที่ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งนะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องจิตก็พูดถึงก็ท่านจะแทนถึงอาการของจิตต่างๆเช่นโลภโกรธหลงสุขทุกข์อะไรต่างๆอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากถ้าเราภาวนาแล้วก็ถ้าเราจะมีสติในการ ระลึกรู้ถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมถ้าเราสามารถแยกใจกับแยกจิตได้อันเนี้ยเป็นหลักสําคัญในการภาวนามากเพราะใจเนี่แหละคือสภาวะที่เรียกว่าเป็นสิทธิบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่ปรุงแต่งหรือจะเรียกว่าเป็นสภาวะปกติก็ได้ถ้าเราสังเกตอาการหรือว่าจับอาการได้ว่าอ๋อสภาวะที่เรียกว่าใจคือความเป็นปกติมันเป็นเช่นนี้สภาวะที่เรียกว่าจิตคือสภาวะที่ มันมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นนะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ด้านบ ว, วกก็ดีด้านลบก็ดีหรือว่าเป็นอะไรที่เราไม่รู้จักก็ดีเพราะนี่แหละสภาวะจิตนะคือมีสังขารการปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วพอเรามีสติรู้ทันจิตมันก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนจากสังขารที่ปรุงแต่งกลายเป็นวิสังขารที่ไม่ปรุงแต่งมันก็กลายเป็นใจนะใจที่แท้จริงแล้วแต่ที่แท้จริงแล้ว ใจเดยสภาวะแล้วมันไม่มีอะไรสามารถครอบงําได้หรอกเพราะว่าสภาวะอเดิมแท้ของมันแล้วมันปกติมันประภัดสอนผองใสอยู่แล้วนะอุปกิเลสหรือว่าสิ่งเศร้าหมองอนะกิเลสเข้าจรเข้ามาชั่วคราวเท่านั้นที่แท้จริงแล้วสภาวะใจคือสภาวะหนึ่งเดียวสภาวะที่เรียกว่าเที่ยงแท้ก็ว่าได้นะเที่ยงแท้แต่สภาวะจิตนี่เป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงแท้ บังทีเราอาจจะบางคนอาจจะไม่เข้าใจมีด้วยเหรอนะครับมันขัดกับคําสอนของพระเจ้าหรือเปล่าคําว่าเที่ยงแท้เนะ่ยคืออนิดจจังทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะใช่อยู่แต่สภาวะที่เที่ยงคืออะไรสภาวะนิพพานสภาวะจิตที่เป็นปกติสภาวะนิพพานนั่นแหละมันเป็นของเที่ยงแต่เป็นของเที่ยงแบบไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขา แต่ก็เที่ยงแบบไม่ใช่ไปยึดไปถือนะเป็นสภาวะที่มีความสุขด้วยนะแต่เป็นความสุขที่เรียกว่าสุขจากการไม่ทุกข์นะเป็นบรมสุขดะงนั้นนิพพานคือสภาวะที่เรียกว่าเป็นของเที่ยงเป็นของที่เป็นสุขแต่ไม่ใช่ของใครนะไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขามันเป็นเพียงแค่สภาวะถ้าเราภาวนานะเรวก็สามารถสัมผัสสภาวะพระนิพพานได้นะ จะมากจะน้อยนะจะหยาบหรือละเอียดอันนั้นก็คงเราแต่คุณภาพของการภาวนานะแต่ถ้าพอได้ริ้มรสรสชาติของสภาวะที่เรียกว่าไม่ทุกข์สภาวะที่ว่าเป็นจิตปกตินะหรือสภาวะที่หลวงปู่เทศเรียกว่าใจถ้าเราเข้าถึงตรง น, นี้ได้มันจะรู้สึกโอ้มันได้หลักของการภาวนาแล้วนะหลักในการดูจิตในการดูใจดูสภาวะที่จิตปกติดูสภาวะที่จิต ผิปกติภัยหรือจะเรียกแบบภาษาหลวงพุทธเทศได้ว่าดูใจกับดูจิตก็ได้อันนี้แหละเป็นหลักสําคัญว่าในการดูสิ่งที่เรียกว่าเป็นนามนธรรมนะสติคอยสังเกตสิ่งที่เป็นสภาวะที่เรียกว่าเป็นนามนธรรมในจิตในใจเนะดูเข้าไปลึกซึง้งจับหลัแค่ตัวนี้ให้ได้การภาวนาในสิ่งที่เป็นนามนธรรมก็ไม่ยากเลยเพราะว่ามันก็สามารถเห็นเห็น จิตมันปรุงแต่งสารพัดมากมายในแต่ละวันนะก็ดูอาการอ้อดูอาการทิ่จิตมันมีอะไรปรุงแต่งบ้างพอเราดูแบบเป็นผู้ดูจริงก็จะเห็นว่าภายในการปรุงแต่งนะั้นที่จริงมันมีใจที่เป็นปกติอยู่นะใจที่ไม่ปรุงไม่แต่งไม่โดนจิตมาครอบงำก็มีอยู่นะก็ดูลงลึกแบบนะั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนจากสภาวะใจที่รู้ตื่นเบิกบานปกติอยู่ เปียนไปโดนเป็นจิตก็มีนะมีสังขารปุุงแต่งเกิดขึ้นที่จริงสภาวะใจไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันโดนจิตมาครอบงำนะมันโดนอาการปุุงแต่งมาบังหน้าคล้ายคล้ายเหมือนที่พระพุทธองค์ท่านเปรียบเหมือนกับพระอาทิตย์ก็ดีพระจันทร์ก็ดีเ น, นะเขาก็สว่างสวัยอยู่ของเขาเช่นนั้นเองนะแต่เมีบ้างหมอกบ้างบางทีก็ต้นไม้บ้างมาบังตาเราเองนี่แหละ มันเป็นเพียงแค่มันเป็นอาการที่แค่มื่อเครือบมาซ้อนมาบังเฉยๆแต่จริงๆแล้วใจไม่เป็นอะไรกับอะไรทางนั้นนะนีะ่ก็คือสภาวะของการภาวนาที่ที่สาคัญมากนะก็อยากให้พวกเราได้จับหลักตรงนี้ไว้ให้มั่นแล้วก็แต่จับแบบไม่ใช่ไปยึดไปถือมาแต่จับเพื่ออะไรเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติเป็นหลักในการภาวนาจะอ ย, าอยู่ที่ไหนๆก็แล้วแต่ถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้นะ ดูใจกับดูจิตนะดูความคิดกับดูความไม่คิดนะดู2อย่างนี้มันมันเกิดขึ้นอย่างไรอันนี้ก็เป็นการเสริมในการดูกายด้วยนะกายเราก็ทิ้งไม่ได้กายก็ต้องดูนะดูแบบไหนก็ดูการเคลื่อนไหวบ้างดูการหยุดนิ่งบ้างถ้าดูลมหายใจก็ดูการหายใจเข้าดูการหายใจออกหรือจะบริกรรม บริกรรมเพื่อให้จิตมันรู้ไม่ใช่บริกรรมเพื่อไปอยู่กับสิ่งที่บริกรรมอันนี้คือเราจะดูกายก็ดูให้เป็นสภาวะให้มีสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นะมีสติเป็นตัวรู้มีผู้รู้ในการรู้รู้สภาวะกายที่กำลังทําอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างไรดูถึงความเป็นทุกข์ของกายดูถึงความเปลี่ยนแปลงของกายดูถึงความไม่ใช่ตัวตนของกาย ถ้าจะดูกายก็ต้องดูน้อมไปทางนี่แหละทางไตรลักษณ์ทั้งสามตรงนี้แล้วก็ดูไปแบบเนี้ดูกายระดับกับดูจิตนะดูรูปรูปธรรมแล้ ก, ล ก, ลก็ดูนมามธรรมแล้วแต่ว่าอะไรจะเด่นอะไรจะชัดอะไรจะปรากฏต่อหน้า ต, ต่อตาในปัจจุบันธรรมตรงนั้นก็ดูนะเหมือนอย่างที่บางทีเราได้สวดมนต์นะสิ่งที่ปรากฏนะต่อหน้า ต, ต่อตาถ้าเราจิตตั้งมั่น ไม่งอนเงนไม่ไม่ค่อนแค่งอนเงนไม่วันไหวสภาวะไม่งอนแงันค่อนแคน่ไม่วันนี่ยก็คือสภาวะที่จิตมันตั้งมั่นมันรู้รู้แล้วไม่เข้าไปเป็นกับอาการที่เกิดขึ้นจะกายก็ดีจะจิตก็ดีแค่รู้เฉยๆรู้แล้วก็พอรู้แล้วก็วางรู้แล้วก็หยุดนะสิ่งใดปรากฏขึ้นใหม่ก็รู้ใหม่นี่แหละคือสภาวะที่สาคัญมากดูกายควบคู่กับการดูจิตนะ ดูแบบไหนก็ได้นะถนัดแบบใดก็ได้แต่แท้ที่จริงแล้วเมื่อสภาวะจริงๆแล้วมันก็เลือกไม่ได้จะดูอะไรอะไรปรากฏนะต่อหน้าต่อ ต, อตามันก็ต้องดูตรงนั้นแหละแต่แท้ที่จริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันปรากฏพร้อมกันนะจะเป็นกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมมันมีทุกสภาวะ <c oughs> เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะเอาง่ายๆเช่นกายก็ดี การหายใจเข้าการหายใจออกก็มีตลอดเวลาท้องพองท้องยุบก็มีตลอดเวลานะกลายที่เคลื่อนไหวก็ตลอดเวลานะแต่ว่าเรานั่งนิ่งๆเหรอมันก็ไม่ได้นิ่งจริงนะะมีการขยับเล็กๆน้อยๆอยนะมีตลอดเวลากลายที่จริงมันมีหลายๆอย่างปรากฏตลอดเวลาแต่แล้วแต่อะไรมันจะเด่นเราก็รู้ตรงนั้นหรือถ้ามันไม่เด่นเราก็สร้าง สิ่งที่เป็นกรรมฐานสักอย่างให้มันเด่นขึ้นมาน่มันก็ได้ที่จริงสภาวะจิตใจที่เป็นเวทนานหรือเป็นจิตหรือเป็นสภาวะธรรมก็ดีมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างจิตปกติบ้างจิตไม่ปกติบ้างปรุงแต่งอย่างนั้นอย่างนี้บ้างหรือกระบวนการธรรมารมฝ่ายบวกบ้างฝ่ายลบบ้างหรือฝ่ายที่เป็นกลางๆบ้างมันก็ปรากฏนะ เป็นกระบวนการอยู่ตลอดเวลากายเวทนาจิตธรรมันปรากฏตลอดเวลานะทั้งวันทั้งเดือนทั้งปียี่ี่ชั่วโมงไม่เคยว่างไม่เคยเว้นแต่คนที่ไม่รู้คนที่ไม่ภาวนาก็คือเข้าไปอยู่กับอาการที่มันปรากฏตรงนั้นแล้วก็ไปจมกับสุขบ้างกับทุกข์บ้างหรือว่าไปจมกับความเฉยบ้างหรือสิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นก็ไม่รู้ทันนะ ใจรอยใจหนีไปที่อื่นไปเลยนะี่คือการไม่ภาวนาคือการเข้าไปอยู่บ้างหรือว่าการที่ไม่รู้เลยหนะลงไปเลยก็มีแต่การภาวนาแล้วอะไรปรากฏก็มีค่าเท่ากันมีค่าในการศึกษาในการดูในการรู้ในการเห็นไม่ได้เข้าไปเป็นดูแล้วก็ศึกษาเขาจนทั้งเข้าใจความจริงของกายเวทนาจิตธรรมอันนี้แหละนะเราดูเพื่อศึกษาดูเพื่อเรียนรู้ ดูเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อไม่ยึดเพื่อไม่ถือเอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเนาะของรพระลักขาพ่อนาก็ฝากเราไว้นะในการภาวนาตลอดทั้งปีหรือว่าตลอดชีวิตก็ว่าได้เราก็ก็ให้จักประดักของการดูอย่างที่หลวงปู่เทศท่านว่าก็ได้ใจกับจิตนะหรือถ้าดูกายก็ขอให้ดู ให้ลงเป็นหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราดูแบบนี้ได้ก็จะไม่ลงหลักของการภราวนาหรือแม้แต่เรื่องดูสิ่งที่เป็นนามธรรมก็เหมือนกันดูไปแล้วมันก็จะเห็นจริงเดียวกันอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไ, ไม่ใช่ของเราไม่ของเขาไม่ได้มีแต่ความอ่สุขหรือว่าความทุกข์ที่เป็นตัวเราเป็นของเขาแต่สภาะวะทุกข์เพรเราไปยึดไปถือ สภาวะ ส, สุกก็ไม่ใช่ไปหลงไปอินไปอยู่กับเขานะความไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นจะไปยึดไปถือจะให้มันเที่ยงตลอดย่อมเป็นไปไม่ได้ทุกมันก็ไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงเออแต่มันมีมันมีแต่มันก็ไม่มีแบบไม่เที่ยงเออก็ดูมันไปแบบนั้นเนาะก็ฝากไว้